นิทานเรื่องหนูฆ่าแมบ ฝังเงินไว้ในดินถึง 40 โกดต่อมา มีความสามารถในการนําห sampling มาทำเป็นสิ่งประดิบต่างๆได้ยางสวยงานต่อมาได้รู้จักกปฝน seldom และได้เกื้อหน้นกับ ช่างหินเดินงัดก้อนหินไปตามที่ต่างๆหินเดินๆได้ ตรงกันข้ามแววตาที่ช่างหิน 40 โกฏแต่ไม่ จะผูกสัมพันธ์กับคนเข้าใจถึงความประสงค์ของนางหนูได้ดีนี้ ข้าข้าขอขอบใจที่เจ้าแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ข้าด้วยทํานางหนูก็สบายใจที่เจ้า 40 กอไม่หาย นางหนูก็คาบเงิน 1 กะหะปณะไปให้อ้าวนางหนูอืม ช่างหินก็เดินทางเข้าไปในเมืองหาซื้อ ช่างหินเองก็ได้ซื้อเนื้อมาให้ แล้วได้พบกับแยกอย่า ไหนมาข้าจะกินเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าข้า เจ้าอย่ามาเป็นครั้นแล้วลูกไม้และเชื่อข้าหน่อย ถ้าหากนางหนูโกหกก็คงจะไม่รอดชีวิตเป็น <c oughs> แล้วเจ้าจะกินแล้วเหรอฮะเจ้าอ่ะกินแล้วสูตรนี้เป็นสูตร น้องหนูมันหา